อันนี้ต่อไปว่าจักสมบัติจักกะเนี่ยนะความถึงพร้อมด้วยสมบัติสี่ประการที่หมุนไปสู่ความเจริญก็เรียกว่าเป็นปัจจัยแห่งบารมีเหมือนกันจักกะสมบัติเนี่ยนะหรือจักสี่ที่เป็นเหตุพัดผันพัดไปสู่ความเจริญเนี่ยมีอยู่สี่ประการ 1. ปฏิรูปรเทสวาโสการอยู่ในประเทศที่สมควรสองสับปุริสูปัสยาการพึ่งพาการคบหา การพึ่งอาศัยสัพ บ, บุรุษทั้งหลายสามอัตตะสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้โดยชอบทำสี่ปุเพกตปุญญตาคุณธรรม4ี่ประการนี่แหลเป็นเป็นเหตุที่พัดให้ไปสู่ความเจริญที่จริงก็คือมงคลการคบบัณฑิตปฏิรูประเทศวะโสจะปุเพจกจักตปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิสิ่งเหล่านี้นี่แหละคือสิ่งที่พัฒพาไปสู่ความเจริญเพราะผู้ใดประกอบด้วยหนึ่ง เกิดอยู่ในปฏิรูปประเทศได้คบหาสัตว์บุรุษมีอัตตะสัมมาปณิ ท, ทิสั่งสมบุญมาเป็นอย่างดีผู้ประกอบด้วยจักทั้ง4ประการถึงความไพ่บู์แห่งโภคท้ัพย์ไม่นานเลยเขาจะเจริญด้วยโภคท้ัพย์เขาจะเจริญด้วยอริยทรัพย์เนี่ยนะเขาจะเจริญจะประสบแต่ความเจริญเพราะนั้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ท่านสร้างบารมีได้เนี่ยนะเพราะท่านอยู่ในปฏิรูปประเทศ ความที่ท่านเกิดอยู่ในปฏิรูปประเทศประเทศที่เหมาะสมและสมควรและคบสัตบุรุษพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้หูสูดท่านเป็นนักเรียนเป็นผู้ที่ขยันเรียนเป็นคนที่รักเรียนรักรู้ใฝ่รู้เนี่ยนะท่านก็ยินดีที่จะคบหาสมาคมกับสัตบุรุษได้ยินข่าวว่าสัตบุรุษอยู่ณนะที่ใดก็ไปหาเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปเงี่ยวโสตลงฟังเป็นต้นพัะการที่ท่านคบสัตบุรุษเป็นเหตุให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิด ความรู้อันนี้ก็เป็นเหตุให้ท่านสร้างบารมีทั้ง10ประการแต่ที่สำคัญคืออัตตะสัมมาปณิทิการตั้งตนไว้เสมอว่าเราจะต้องให้ทานถ้าใจมันไม่คิดจะให้ก็ตั้งไว้เพื่อที่จะให้ตั้งไว้จะต้องให้ได้บ่อยให้ได้มากให้อย่างต่อเนื่องท่านตั้งไว้เลยทายังไงจะได้ให้บ่อยๆปณิทิแปล ว, ว่าตั้งสัมมาปแปล ว, ว่าถูกต้องอัตตะก็คือจิต ตั้งใจเอาไว้อย่างถูกต้องเพื่อการให้ให้ยังไงให้ได้บ่อยให้ได้มากให้อย่างต่อเนื่องให้อย่างปริมาณไม่มีจํากัดเรียกว่าเป็นคนที่คายโดยส่วนเดียวเห็นั้นน้อมไปเพื่อการคายน้อมไปเพื่อการสละที่เราเรียกว่าจากฆาเนี่ยนะสละสละสละโดยส่วนเดียวว่างั้นอย่าว่าแต่สละทัพย์ภายนอกเลยแม้แต่ภายในก็ยังสละได้สละได้แม้กระทั่งร่างกายและชีวิตก็เนื่องจากอัตตะสัมมาปณิทิตั้งใจเอาไว้แล้ว คนที่ให้ให้ให้โดยมากนี่เกิดจากความตั้งใจคนที่ไม่มีความตั้งใจอะไรเลยยากเพรายนะปัญหความตั้งใจนี้เป็นตัวสำคัญที่จะให้ทานได้ความตั้งใจก็เหมือนกันเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เกิดการรักษาศีนั้นอัตตะสัมมาปณิธินั้นจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญของการรักษาศีลเพราะความตั้งใจอัตตะสัมมาปณิทิทำให้เกิดการ สมาทานศีลเนี่ยนะทำให้เกิดการสมาทานศีลบ่อยๆรักษากุศลศีลให้ยาวและต่อเนื่องอัตตะสัมมาปณิธิการตั้งตนเอาไว้โดยชอบนี่แหละเป็นเหตุให้เจริญเนคขมะเนี่ยนะบางท่านโอ้ยพอได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนบ้างอายุสี่ห้าสิบไปแล้วเนี่ยนะอยากจะเจริญอยากจะบวชอยากจะเจริญกุศลธรรมอยากจะบาเพ็ญเนคขมะ บอกแหมนทําไม่ได้เหลือเกินมันอุ้ยมันติดมันพันมันร้อยมันรับเต้นไปหมดเลยแสดงว่าพวกนี้เรียนวิชาผูกวัตตะแต่ไม่ได้เรียนวิชาที่จะออกจากวัตตะเพราะอัธยาศัยตอนต้นตอนแรกก็มองว่าจะผูกอย่างเดียวเรียกว่าไม่ให้เหลือปมไว้แม้มแต่นิดเดียวะะนั้นก็เลยไม่รู้จะแก้อย่างไงเนี่ยนะเรียกว่าเรียนแต่วิชาผูกไม่เรียนวิชาแก่ยากจะออกเนี่ยนะก็ออกไม่ได้อัฏฐาธะก่อใหม่เท่าเดิมแล้ว อั น, นิสารณะก่อน น, นิสารณะไม่ได้ก็โจมอยู่แต่กับอาทีนะวะก็ควรครางไปทําอะไรได้เนี่นะครอบครัวก็เลือกเกินเนี่ยนะสามีเนี่ยลาบวชไม่ได้ถ้าถ้าตายเนี่ยอนุญาตบอกว่าถ้าบวชนะโอ้ยฉันอยู่ไม่ได้หรอกลูกก็อยู่ไม่ได้หรอกแต่ถ้าถ้าตายแล้วก็ก็อยู่กันดี อยู่ดีมีสุขกันอยู่ก็อยู่ไม่เห็นแบบร้องไห้สักกี่วันเชียวเนี่ยนะกระดูกระไม่ให้อาไว้ในบ้านอีกบอกกลัวว่ากั้นเพราะนั้นจะไปคิดอะไรมากลายคนก็บอกโอ้ยขาดเขาแล้วเขาอยู่ไม่ได้รอกขวา ง, งั้นนะอืจริงหรือเนี่ยนะไม่จริงหรอกหลอกตัวเองมั่งอ่ะนะบางคนนี่ก็เหมือนกับว่าอเขาเนี่คือผู้ยิ่งใหญ่เขานี่สําคัญมากถึงขนาดเรียกว่าขาดเขาไม่ได้เหมือนกับโลกล่มสลายเลยจริงหรือคิดเองมั่งคนดีๆเขาก็ตายแล้วคนอื่นเขาก็ยังอยู่กันได้ถึงทุกวันเนี่ยนะ พูดแบบภาษาทุนๆหนึ่งอะ น, นะคนอื่นดียิ่งกว่าเราเป็นล้านเท่าเขาตายไปแล้วเอ๊ะคนอื่นเขาก็เห็นอยู่กันได้เนี่ยเขาก็อยู่อย่างปกติดีไม่เห็นมีอะไรเลยนะอย่าไปให้ความสําคัญอะไรจนเกินไปจนถึงขนาดตัวเองเจริญกุศลไม่ได้หรอก บ, บางคนเนี่ยคิดหาเหตุผลอ้างจนตัวเองไม่ยอมเจริญกุศลแต่ว่าคิดในหนึ่งอใจจริงเขาขอหาข้ออ้างที่จะไม่เจริญกุศลนั่นแหละเนี่ยนะก็เลยทําเหมือนเนี่ยมันยุ่งมันยุ่งเราว่างั้น ที่ไหนได้อแอบไปผูกเอาไว้แล้วเนี่ยนะยังคนว่าฟังธรรมะไหมวันนี้บอกไม่ฟังอะครว่าทำไมอุยมันยุ่งจริงๆมันยังงั้นอย่างงี้เพราะอีกภาคหนึ่งได้ข่าวว่าคนอื่นชวนไปที่อื่นที่มันไม่เป็นเรื่องเป็นราวว่างทันทีเลยเออพอไปได้เพางั้น มันก็มันก็แปลว่าไอ้วิจารณญาณมันวิบัติตั้งกต่แรกแล้วเนี่ยนะอาสยวิบัติเพราะไม่เกิดจากการตั้งอัตตสัมมาปณิทิไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาระและไม่ใช่สาระก็เลยไม่ตั้งตนเพื่อความเจริญงอกงามแห่งกุศลธรรม แต่ตั้งตนเพื่อเจริญอกุศลถ้าใครมาชวนทํากุศลนี่อธิบายได้ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้ามันยุ่งอย่างงั้นอย่างนี้โอ้ยวนวุ่นวายไปหมดเลยแต่ถ้าบอกว่าไปทําอกุศลเนี่ยบอกโอ้ยไปผัดผัดผผั ด, ผ ด, ผ ด, ผ ด, ผดงานอื่นได้หมดให้เขารอได้เ้ารอได้อะไรเป็นต้นแล้วตัวเองก็ไปทําอกุศลได้ก็แสดงว่าวิจารณญาณมิบัติจริงๆเพราพวกนี้ไม่มีเนคขมะไม่มีจิตคิดจะออกจากอากุศลไปเจริญกุศลเนี่ยนะ ในบางคนนี่ไม่ได้ตั้งอัตตสซม้มาปณิธิเพื่อให้มีปัญญาไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมีปัญญารู้ทรรมวิันของพระเดียเจ้าไม่ตั้งตนไว้เพื่อให้มีปัญญาเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งปัญญาเพื่อจะฟังอริยสัจไม่ได้ตั้งสติปัญญาเพื่อจะกำหนดรู้ทุก ละสมุไทยทำนิโรธให้แจ้งไม่ได้ตั้งไว้เพื่อจะเจริญกุศลไม่ได้ตั้งไว้เพื่อจะเจริญสัมมาทิฏฐิจเจริญสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นต้นเมื่อไม่ได้ตั้งไว้เพื่อให้มีปัญญาพิจารณาดังกล่าวไปแล้วพอมาฟังเรื่องปัญญาเข้าหน่อยปวดหัวแล้วว่าไงฟังเรื่องอื่นฟังไรหมดเวน้นแต่พอฟังเรื่องปัญญาปั๊บหัวนี่มันหมุนติ้วไปหมดเลยว่าไป่วยเลยทันทีว่า แต่บางคนนี่แปลกนะพอฟังเรื่องอริยาศาสตร์ฟังทุกสมุทัยฟังวิถีกําหนดรู้ทุกละสมุทัยอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลฟังปฏิจจสมุปบาทเมาหัวเขาบอกนเมาหัวก็หลับประโรควิงเวียนศีรษะท้องไส้ปันปว่วนหมดอะไรหมดแต่ถ้าไปฟังเด ร, รชานกาถาปกติมันแปลกแล้วทําไมมันเป็นอย่างไนที่จริงน่าจะฟังธรรมแล้วก็มีแต่ความสงบมีแต่ความเบามีแต่ความสบายกลับเครียดหนักป่วยกับเก่าเลยนะ พอไปฟังอเดรชานกถาแล้วโอ้สบายใจเลยเมอันเออเพราะอะไรเพราะไม่มีอัตตะสัมมาปณิธิไม่เคยตั้งไว้เลยว่าจะต้องมีปัญญาไม่เคยตั้งใจไว้เพื่อให้มีปัญญาไม่ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อให้เจริญงอกงามในปัญญาไม่ได้ปรารถนาที่จะมีปัญญาอย่างแรงกล้าเห็นโทษของปัญญาเห็นอนิสงส์ของความงุกเขาว่าเ อ, อเราไม่รู้ก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ย บางคนก็บอกว่าไม่อยากมีความรู้หรอกคนอื่นเขาใช้งานมากกว่างั้นของเร็วบอกว่าเพราะอะไรถ้าโง่โง่ใครก็ไม่อยากพูดถึ ง, งเราอะไรเขาก็ไม่ใช้งานเร า, าเพราะเรามันโง่ก็เลยคลิกพ่านอะไรนะว่าโง่โงมันก็สบายดีอยู่แล้วกว่างั้นสบายจริงหรือเนี่ยนะขอให้มันสบายจริงเธอถ้าถ้าสบายจริงเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนให้โง่ต่อไป มันต้องมีมีอัตตสัมมาปณิทิตั้งความปรารถนาตั้งใจเพื่อให้ปัญญาเจริญโงกเงยยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะต้องเป็นคนที่รักที่จะมีปัญญารังเกียจความโง่ความเคล้าความไม่รู้นี้เพราะไม่รู้อริยสัจนะจึงทุกอย่างนี้เพราะไม่รู้คําสอนไม่รู้เหตุแห่งความเจริญความเสื่อมนะเราจึงลําบากแบบทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราไม่มีความรู้ถ้าเรามีความรู้ดีรู้จริงรู้รู้เหตุรู้ผลรู้ทุกอย่าง ที่เรียกว่ารู้เหตุแห่งความเจริญความเสื่อมแล้วดำรงอยู่ในเหตุแห่งความเจริญเราจะเจริญยิ่งกว่านี้นี่แสดงว่าเราไม่ตั้งไว้เพื่อให้มีปัญญาเนี่ยนะไม่ได้เพาะปลูกว่าเราจะต้องมีปัญญาแต่ก็น่าชื่นชมนา่ารักท่านก็ตั้งใจไม่ว่าขอให้จเจริญในสุตมยะปัญญาตั้งไว้ว่าชาตินี้จะต้องอ่านพระไตรปิฎกให้จบ ไม่ใช่ว่าพลิกๆจนจบะนะหมายถึงว่าอ่านให้จบบางท่นเถอะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในทุกเล่มทุกคัมภีร์เข้าใจอย่างละเอียดและสามารถนําเอาไปเจริญนําเอาไปปฏิบัติได้พวกนี้ก็เรียกว่าตั้งใจไว้เพื่อสุตตะมยปัญญาแต่าบางท่านก็ตั้งใจไว้เพื่อจินตามยปัญญาเราต้องใครครวนพิจารณาขันทา่าอรยตนะพิจารณาทุกอย่างอย่างทลุผโปร่งบางคนก็ตั้งไว้เพื่อสีลมยปัญญา บางคนก็ตั้งไว้เพื่อสมาธิภาวนามยตาปัญญาบางคนก็ตั้งไว้เพื่อกําหนดปัจจัยพิจารณาเจริญวิปัสนาจนบรรลุมรรคผลพวกนี้ก็ตั้งสติตั้งตั้งไว้เพื่อให้มีปัญญาเนี่ยนะนะบางคนก็ตั้งอัตตะสำ ม, มาปณิที่ว่าเราจะต้องเจริญกุศลทุกอย่างด้วยความภาคเพียรพยายามตั้งไว้เลยว่าเราจะไม่ท้อแท้ในการเจริญกุศลธรรมไม่เบื่อไม่ไหน่ายในการเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะนะ คนที่ไม่เบื่อหน่ายในการเจริญกุศลธรรมเนี่ยสามารถหาวิธีการคิดจนจนเจริญกุศลธรรมไดอออ้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะอย่างต่อเนื่องอย่างบางท่านเขาบอกว่าที่ที่ผู้ธรรมะได้นานหน่อยได้มากหน่อยก็เพราะอะไรก็เพราะบอกพวกนักร้องเพลเจอร์ไม่มีสาระก็ร้องได้กันทั้งวันทั้งคืนกว่า ง, งั้นแล้วเรามาสรรเสริญคุณพระรัตนตรายเป็นต้นทําไมเราจะทําไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะตั้งไว้เพื่อใ ห, ให้มีความเพียรจะหาเหตุหาผลหาปัจจัยว่าทําอย่างไรจึงจะมี ความเพียรก็เลยสมาทานสมาทานเพื่อให้มีความเพียรอย่างเช่นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านตั้งอัตตาสัมมาปณิธิเลยว่าท่านจะต้องให้ทานแบบหมออความท่านตั้งอัตตาสัมมาปณิทิสมาทานไว้เลยว่าจะรักษาศีลเหมือนกับจามารีรักษาขนหางมารดาถนอมอบุตรคนเดียวคนตัวน้อยเหมือนกับคนที่มีตาเดียวรักถนอมดวงตาฉันใดกระวัฒถนอมยิ่งกว่าแก้วตาดวงใจอีกถนอมกุศลศีลเหล่านั้นสมาทานรักศีล จเจริญเนฆคัมมะต้องการจะออกจากวัตฏะมองเห็นวัฏฏะเหมือนกับที่คุมขังมองเห็นวัตฏะเหมือนกับที่เรียกว่าคุกเหมือนกับโซ่ตรวนที่ถูกล่ามอยู่ตลอดว่าจะออกได้อย่างไงตั้งใจไว้เลยว่าวัฏฏะนี่คือคุกตารางมันแล้วก็ตั้งใจไว้เลยว่าจะต้องแสวงหาปัญญาเหมือนพระพิสุ ที่ตั้งมั่นอยู่ในวัดปฏิบัติสแสวงหาอาหารบินทบาทเที่ยวบินทบาทสแสวงหาบินทบาทก็สแสวงหาปัญญาเหมือนสแสวงหาอาหารเนี่ยนะแสวงหาผัสสหารสแสวงหาเหตุแห่งสติและปัญญาแล้วก็ตั้งอัตตาสัมมาปณิที่ว่าจะต้องเป็นคนกล้าเจริญกุศลอ่าเรียกว่าวิริยะเหมือนราชสีไม่ไม่หวาดหวั่นต่ออะไรเรียกว่าเพียน กล้าในการเจริญกุศลฉันนั้นสมาทานที่จะมีขันติเหมือนกับแผ่นดินนะนะว่าเราจะต้องทําใจได้เหมือนกับแผ่นดินมีว จ, จีสัจจะเหมือนการโครจรของดวงดาวบางดวงที่โครจรแบบไม่คลาดเคลื่อนถือเอาเป็นมาตรฐานได้เรียกว่าสมาทานอธิษฐานมั่นคงไม่หวั่นไหวเหมือนภูเขาหินแท่งทึบที่ไม่สะเทือนจะด้วยลมพัดจากทิศทั้งสี่สมาทานที่จะน้อมนา ประโยชน์และความสุขไปให้แกสัตว์ทั้งหลายเหมือนน้ําเย็นที่ให้ความเย็นแก่ทั้งคนดีและคนชั่วเจริญอุเบกขาเหมือนกับแผ่นดินเป็นต้นพระองค์นี้ตั้งอัตตสัมมาปณิทิจึงสามารถบําเพ็ญบารมีทั้งสิบประการมันเราต้องสมาทานต้องอธิษฐานในการเจริญบุญเจริญกุศลเจริญคุณงามความดีท่าน ร, รอให้มันเกิดเองเกิดลอยๆก็เหมือนอย่างว่ารอดูซิเผื่อมะม่วงมันจะงอกในสวนเราสักต้นหนึ่ง เป็นไปได้ไหมเอาไม่ปลูกมันจะเกิดได้หรืออัตตะสัมมาปณิทิมันก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเราไม่ปลูกไม่ตั้งใจนะมันไม่เกิดในใจหรอกอะไรอะไรที่มันไม่งอกในใจของเราเนี่ยนะกุศลที่มันไม่งอกก็เพราะเราไม่ได้ปลูกกุศลเอาไว้ถ้าเราขยันปลูกกุศลเอาไว้เบาเฮ้ก็ปลูกแล้วนะทําไมมันไม่งอกงามไอ้ที่ปลูกมันยังไม่ออกลูกไอ้ที่ไม่ปลูกมีมากกว่ามันจะต้องปลูกให้มันหนาแน่นให้มันทุกพื้นที่ทุกตารางความคิดนั่นแหละ ปลูกบุญปลูกกุศลตั้งลงในจิตในใจถ้าปลูกได้อย่างนี้ก็ถึงความเจริญทีนี้บุญเหล่านี้เนี่ยถ้าใครสะสมเอาไว้แล้วต่อไปก็สะสมต่อไปไม่ยากบุญเนี่ยนะถ้าทำครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อๆไปก็ง่ายเครเรียกว่าใครที่ทำบุญไว้บ่อยๆต่อไปก็จะทำบุญได้ง่ายๆทำไม่ยากเพราะมีปุเพกตปุญญาตาใครเรียกว่ามีเชื้อแห่งบุญก็เลยต่อบุญได้ง่าย ผู้ที่ชอบให้นั่นแหละจึงยินดีในการให้ต่อๆไปผู้ที่มีใจรักษาศีล น, นั่นแหละก็จะมีใจที่จะรักษาศีลต่อไปมีใจเจริญเนฆะธรมะก็น้อมไปเพื่อเจริญเนฆะธรมะต่อไปมีใจใฝ่รู้ใฝ่ปัญญาใฝ่เรียนก็มีน้อมไปเพื่อให้มีปัญญาต่อไปเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าปุเพกตปุญญาตาเนี่ยนะเป็นคนที่สั่งสมบุญแล้วต่อไปบุญก็จะเกิด ง่ายๆเพราะมันชำนาญและคล่องแคล่วคนที่ทําบุญจนชำนาญคล่องแคล่วไม่เป็นภาระไม่ใช่สิ่งยากเลยไม่ใช่ปัญหาในการทําบุญเพราะอะไรเพราะเป็นนักบุญอยู่แล้วเราเียกว่าคนมีปุเพกาตปุญญาตาแต่ทีนี้หลายท่านว่าโอ้แล้วเราบุญน้อยในอดีตทําไงอา้าวทำไมไม่ทําวันนี้ให้มันเป็นปุเพกาตปุญญาตาของพรุ่งนี้ปารือ น, น, น, นี้ปีหน้าปีต่อ ต, อตอไปเนี่ยก็ปลูกต้นบุญให้มันเกิดในจิตในใจตรงนี้แหละ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าปลูกได้วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ปลูกใหม่ปลูกเรื่อยๆอย่างนี้จนกว่าจะตายชาติหน้าชาตินี้มันจะเป็นปุเพกตะปุญญตาของชาติหน้าชาติหน้ามันปลูกใหม่ปลูกไปมันทุกชาติจนกว่าจะตรัสรู้นั่นะจนกว่าจะออกจากวัตฏทุกได้ถ้าเราไม่ปลูกบุญก็ปลูกบาปนั่นแหละโดยธรรมชาติหรือเราชอบปลูกบาปถามว่าเอ้ยบาปไม่เห็นต้องปลูกเลยมันก็เกิดเองนั่นแหละปลูกจนชํานาญ จนเหมือนกับไม่จาเป็นต้องปลูกอีกแล้วบางคนเนี่ยนะทำจิตให้เป็นบาปโดยเหมือนว่าเหมือนไม่ตั้งใจแต่จริงๆเป็นผลของความตั้งใจที่สมบูรณ์เนี่ยนะความตั้งใจที่สมบูรณ์ที่บริบูรณ์ด้วยอวิชชาเห็นอะไรก็มืดโง่เคลาเห็นอะไรก็ตันหาน้อมนําพาไปเนี่ยที่ชีวิตของเขาสมบูรณ์ด้วยอวิชชาและภาวะตันหาเนี่ยนะเพราะเขามีนิวร์มาอย่างสมบูรณ์ นิวรณของเขาเนี่ยเจริญเต็มเปี่ยมมาลดว่า ง, งั้นเถอะเปี่ยมปริมไม่แทบไม่ไม่ลดเลยอ่ะนะเหมือนกับแม่น้ำที่เปิ่มฝั่งว่า ง, งั้นนี้ถามว่านิวรณ์เขาบริบูรณ์อย่างนั้นเอเพราะอะไรก็ เ, เพราะว่าเขามีแต่ทุจริต ชีวิตของเขาเป็นกายก็ทุจริตวจีก็ทุจริตมโนก็ทุจริตเลวทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมทําบาปทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่เขาทุจริตอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยปิดแผลที่จะให้บาปมันไหลเข้ามาทําตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาไม่เคยปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะเรียกว่าเชื้อแห่งบาปอากุศลจะไหลเข้ามาตามทาวารเหล่านี้ ที่เขาไม่รักษาตาหูจมูกลิ้นการใจเพราะว่าเขาเบลออยู่ตลอดไม่มีสติสัมปชัญญะอะไรเลยไม่มีสติ ส, anywhere, สัมปช amps, ัญญะว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งเป็นต้นไม่รอบรู้เลยเรียกว่าไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีศาสตะสัมปชัญญะโคจระอสัมโมหสัมปชัญญะเป็นต้น เมื่อไม่มีสติสัมปชัญญะเหล่านี้ก็เพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมเขาไม่ต้องการเจริญกุศลธรรมโดยประการทั้งปวงเพราะว่าชีวิตของเขาอยู่ด้วยการฟังแต่เดรัชานกาถาฟังแต่เรื่องไม่มีประโยชน์ฟังแต่เรื่องเดรัชานคาถาฟังแต่ถ้อยคําของป่าประมิตรฟังแต่เสียงนกเสียงกาเสียงเรียกว่าฟังแต่เสียงที่นำทุกนำแต่ทุกโทษมาให้ที่เขาเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาคบคนผ่าน ในนะชีวิตคนรอบข้างของเขามีแต่คนผานข้างหน้าข้างหลังก็มีแต่คนผานเขาบางทีเขาก็เป็นหัวหน้าคนผานด้วยซ้ําเลยก็เลยมีลูกน้องมีแต่ผานเขากันเพราะอะไรพระพระ อ, องค์ก็ตรัสอยู่แล้วในอวิชชาสูตรบอกว่าการคบอาศัตบุรุษที่บริบูรณ์ก็ฟังอาศัตธรรมจนบริบูรณ์ ก็เลยฟังแต่อสสัตธรรมฟังแต่อักุศนกรรมบทฟังเรื่องการฆ่าการรักการผิดการมีการคมคืนเป็นต้นเนี่ยก็ฟังแต่เรื่องราวเหล่านั้นฟังเรื่องการดื่มสุรามีไรโฆษณาชวนเชื่อซะหน้าดื่มก็ว่างเงินนั่นฟังแต่ถ้อยคําเหล่านั้นฟังแต่อักุศลกรรมบท10บเมื่อครบอสสัตว์บุรุษก็ฟังแต่อกุศลกรรมบทเมื่อฟังอักุศลกรรมบทไม่มีศรัทธาที่จะเจริญกุศล ก็เต็มใจที่จะเป็นอกุศลแบบนั้นมากๆเข้าเมื่อเต็มใจที่จะเป็นอกุศลเหล่านั้นก็ไม่เกรงกลัวที่จะปิดตาหูจมูกเล่นกายใจไม่ให้อกุศลนั้นไหลเข้ามาสติสัมปชัญญะก็ไม่มีโดยประการทั้งปวงเมื่อไม่มีสติสัมปชัญญะโดยประการทั้งปวงอะไรควรเห็นควรได้ยินก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้อะไรควรรู้ควรดูควรเห็นเป็นต้นทุจริตสามก็เต็มเปี่ยมกายก็พร้อมที่จะทําชั่ววจีก็พร้อมที่จะ พูดชั่วใจก็พร้อมที่จะคิดแบบชั่วๆคิดที่เป็นบาปเป็นอกุศลนิวรณ์มันก็กลุ่มรุมอยู่ในจิตใจอวิชาก็โ ต, าโตเอาโตเอาตันหาก็โตเอาโตเอาเพราะฉะนั้นเห็นปั๊บชอบเลยเห็นปั๊บเขลาทันทีเห็นยังไงก็ไม่รู้อริยสัจได้ยินยังไงก็ไม่รู้อริยสัจเพราะอาวิชามันเต็มเปี่ยมเพราะสมาทานข้อปฏิบัติเพื่อให้อวิชาและตันหาเจริญอยู่แล้ว แต่ถ้าหากว่าอยากจะตรงกันข้ามอยากจะตรงกันข้ามก็ทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามคบสัตว์บุรุษให้บริบูรณ์ฟังสัตว์ธรรมให้บริบูรณ์เนี่ยนะเมื่อคบสัตว์บุรุษประโยชน์ของการคบสัตว์บุรุษก็จะได้ฟังคําของสัตว์บุรุษเหมือนประโยชน์ของการนับถือพระพุทธเจ้าเราจะได้ฟังคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะมีศรัทธาเลื่อมสายอย่างเข้าใจเนี่ยนะเมื่อมีศรัทธาเข้าใจ เลื่อมสายยินดีที่จะปฏิบัติตามก็จะมีสติสัมปชัญญะมีอินทรีสังวรรักษาสุดจริตสามเจริญสติประฐานสี่อบรมโพธ์ชงเจ็ดจนสามารถยังวิชาและวิมุตติให้เกิดขึ้นนั่นเองนี้พระโพธิสัตว์ท่านเห็นช่องทางว่าการอยู่ในประเทศที่สมควรทำให้เกิดการคบสัตบุรุษเนี่ยนะเมื่อมีการคบสัตบุรุษก็จะมีการตั้งตนไวโดยชอบธรรม เมื่อมีการตั้งตนไว้โดยชอบทำสมาทานที่จะประพฤติบุญกุศลบารมีทั้งสิบข้อเจริญงอกงามไพยบูรเพราะบารมีที่ท่านเจริญอยู่ได้ก็เพราะอาศัยปฏิรูปประเทศการคบสับบูรดและมีอัตตะสัมมาปนิธิแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ท่านเป็นผู้มีบุญเก่าทุกชาติของท่านคือการสร้างคือหมายว่าที่ท่านมีบุญเก่าเพราะท่านเกิดมาเพื่อทำบุญ บุญในชาติใหม่ก็กลายเป็นบุญเก่าของชาติต่อไปมันก็จะเป็นบุญเก่าบุญเก่าก็เลยไปภูมีปุเพกตะปุญญาตาไปทุกภพทุกชาติ น, นะนะอันนี้เรียกว่าปัจจัยของบารมีฮั้นก็จบปัญหาข้อที่6ที่กล่าวถึงว่าอะไรเป็นปัจจัยของบารมี